ในในชั้นการฟังเป็นต้นเนี่ยฟังจนกว่าจะเนี่ยศรัทธามั่นใจว่าชั้นเจริญได้จริงๆอ่ะอ น, นันะคือศรัทธาศรัทธาเนี่ยแบ่งหนึ่งว่าเชื่อในความสามารถของตัวเองอันนี้อย่างหนึ่งนะว่าเจริญได้อีกในหนึ่งก็เชื่อว่าคําสอนนี้ช่วยให้พ้นทุกข์ได้หนึ่งนะเชื่อว่าตัวเองเจริญได้ก็สองเชื่อว่าคําสอนนี้ทําให้พ้นทุกข์ได้ก็มาคิดตามนั้นให้มากๆ ก, ก็จะเกิดโดยลำดับถ้าคิดแล้วกุศลธรรมเหล่านี้ก็จะเกิดสิ่งเหล่านี้ไม่ใช่เป็นความฝันอะไรซึ่งเป็นสิ่งที่เจริญได้อยู่แล้วถ้าขอให้มีอันนี้อันเดียวแร ก, รรกตรัสรุ่พระองค์ตรัสกับพร้อมว่ายังไงนะก็บอกว่าผู้มีโสดจงปล่อยศรัทธามาเถิดประตูแห่งอมะตะเราเปิดแล้ว เมื่อก่อนเราเห็นแต่นึกว่าเป็นความเหนื่อยยากลําบากเราเลยไม่สอนในธรรมะที่เราคล่องแคล่ววังนั้นเถอะเพราะฉะนั้นถามว่าถ้าพระ อ, องค์จะเรียกร้องหาจากสัตว์ทั้งหลายพระ อ, องค์จะเรียกหาอันไหนก่อนศรัทธาบางแห่งก็พูดถึงอ น, นิสงส์ของศรัทธาว่าถ้าพระ อ, อรหันต์จะเข้าไปหาจะเข้าไปหาคนมีศรัทธาหรือไม่มีศรัทธาก่อนก็ต้องเข้าไปหาคนมีศรัทธาก่อนนะถ้าท่านจะ แสดงทำให้ฟังท่านจะแสดงให้ใครก็แสดงให้คนมีศรัทธาก่อนเป็นต้นเพราะฉะนั้นพระอาหารหันต์ที่ท่านสงเคราะห์ก็สงเคราะห์คนที่มีศรัทธาที่บางสูตรก็บอกว่าเราช่วยใครให้พ้นจากทุกข์ไม่ได้หรอกเนี่ยนะเพราะอะไรเพราะว่าเขาต้องมีศรัทธามีวิริยะคือช่วยคนมีศรัทธาช่วยคนไม่มีศรัทธาไม่ได้ธรรมะทั้งหมดนี่นะสมมตินนะ คนไม่มีศรัทธาจะไปแนะนำโสตาปฏิยังค่าธรรมต่อไปได้ยังไงหมายว่าต้องมีทุนเดิมคือศรัทธายัางหนึ่งแล้วต้องมีความเพียรจึงจะบอกว่าอันนี้ท่านต้องละนะคุณต้องขยันหน่อยนะอันนี้ อ, ก, อกุศลดีนะต้องเจริญนะถ้าคนขี้เกียจอยู่แล้วนะออท่านหาสูตรง่ายๆหน่อยอคำเดียวนะมาท่องเลยท่านจะให้คำไหนมาล่ ะ, ะอย่างหมอผีองั้นไอนย่อ น, นะแบบคาถาเลยนะ ทีนี้ครูบาอาจารย์บางท่านก็บอกว่าเรื่องมากนักเอาพุโทโธไปก่อนแล้วกันพุโทโธพุโทโธพุดโทรไปท่องไปเงี้ยนะเอางี้นนะถ้ า, า, นะถามันหนักจริงๆแล้วดูหน้ามันสอนอะไรไม่ได้เลยอ่ะเอางี้นะคุณไปท่องอิติปิโสเท่าอายุ <laughs> คุณนะคือถ้าท่องตามนั้นจริงๆมันก็สงบไปเยอะนะถ้าว่าได้ได้ ถ้ายืดเจ็ดสิบท่องไปเจ็สิบรอบนะมันก็เบาไปตั้งเยอะแลยนะเออมันก็ลดความฟุ้งซ่านไปได้ตั้งเยอะแล้วก็กดีกว่าไม่ทําอะไรว่างั้นนะ่ะท่านก็สงฆ์ข้อในส่วนนั้นนะ่ะนะแต่ไม่รู้จะแนะนําต่อไปได้ยังไงเนี่ยนะสำนวนวนวักไขขนาดนี้หมอสั่งได้แต่พาราบง <c oughs> ั้นก็ตามให้ให้ตามสมควรนั้นๆไปเนี่ยนะทีนี้นถ้าพื้นฐานสุตตะเราไม่ดีตั้งแต่แรกๆอยู่แล้วเรียนคือคือความเข้าใจไม่มี เรียนไม่ค่อยเข้าใจแต่ว่าต้องการส่วนเหล่านี้ทำไมพวกนี้มันไม่มีสักทีหนึง่งนะนี่คือคำถามที่ทเป็นอยู่ที่ได้ฟังบ่อยเช่นทำไมอินทรีสังวรไม่มีสุจริตสามทำไมไม่ดีทำไมฮิริโอต ป, ปะมันคาบหรือบางทีนะัเลยไปที่สติปฐานเลยทำไมเจริญสติปทานไม่ได้ทำไมวิปัสนาหรือบางทีนะบางเจ้าหนักไปทำไมไม่บรรลุอ่นโห ทำไมเข้าไม่บรรลุสูตรนั้นก็ฟังแล้วเขาบรรลุกันหมดเลยทำไมเราไม่บรรลุเนี่ยนะหรือว่าธรรมะอืมเสื่อมไปแล้วว่าไปนั่นอีกไมแม้กระทั่งสมมติ น, นะเราย้อนมาที่ว่าจะเจริญสุจริต3ามสูตรจริตสาอันนี้ถ้าจะเรียกว่าศีลก็ได้ถ้าย้อนมานะถ้ามากกว่าจะมาถึงสุดจริตสมน่นะเช่นอินทรีสังวร อินทรีย์สังวรนะถ้าไม่รู้สึกว่าอายชั่วกลัวบาปนะจะไปสังวรอะไรเนี่ยนะก็จะฟังหรือจะดูจะเห็นจะรับรู้ในส่วนที่ไม่ได้ก่อให้เกิดิี่โอตะปะอะไรเลยก็ไม่แยกทวารในการรับล้วเสร็จ แ, แล้วก็ที่ไม่มีอินทรีย์สังวรมันจําอะไรไม่ได้สักอย่างเลยนะจําอะไรไม่ได้ถ้าสังวรแล้วมันดียังไงไม่สังวรแล้วมันเสียหายยังไงนึกอะไรก็ไม่ออกแล้วปกตินะ ตรงกันข้ามกับโยนิโสเรียกว่าอโยนิโสปกติโดยอัธยาสาัยของเขานะอันนี้พูดโดยอัธยาศาัยแท้จริงนะเขาคิดเสมอว่าเที่ยงเช่นว่าอันนี้มันคงอยู่อีกสิบปีงนะเขาประเมินน ะ, ะคือคือคำว่าเที่ยงในที่นี้ก็คือเข้าไปประเมินว่าเช่นตึกหลังนี้มีอายุห้าสิบปีอันนี้ใช้ได้อีกนานนะ่นะคือคือไปประเมินในลักษณะ ยืดยาวไปแบบนั้นแบบนั้นขึ้นอ๋ะนี่ยังเด็กอยู่อู้อีกยาวอย่างงี้นะก็ไปคิดความคิดลักษณะเนี้ยที่เรียกว่าอโยนิโสมนสิการเที่ยงอย่างที่สองเอมันก็สุกดีนะ ม, ม, มันมันมันดีนะมันยังดีอ่ะนะคำว่าสุกไม่ใช่มาแบบเป็นเป็นศัพท์ที่บอกว่าดีหมดเลยอ่านะนั่นก็คือประกาศถึงความเป็นเป็นสุขของสิ่งนั้นนะแล้วก็ของเราเห็นไหม ก็จะป่นเปี้ยนอยู่แถวนี้แหละความคิดแนวนี้ทั้งหมดภาษาธรรมะเรียกว่าอโยนิโสทั้งหมดแต่ที่นี้พื้นฐานสำคัญว่าก็ต้องมาแยกสองส่วนเองนี่เองถ้าคิดอย่างนี้แล้วมีโทษยังไงถ้าไม่คิดอย่างนี้แล้วมีคุณยังไงถ้านิมิตตรงนั้นไม่ไม่แยกนะแยกธรรมะฝ่ายดําฝ่ายขาวมีโทษไม่มีโทษกุศลอกุศล แยกวิตกอะไรไม่ได้เลยก็ถ้าให้มาแนะนำก็ไปไหว้พระเจดีย์แล้วก็ตั้งความปรารถนาไว้ว่าพระพุทธเจ้าแสดงธรรมใดก็ขอให้ข้าพเจ้ามีส่วนธรรมะนั้นด้วยเถิดในอนาคตปู้นว่าไปท่านจดไว้ท้านครับเนี่ยนี่ท่านบอย่อพระไตที่ฎกมาทั้งหมดแล้วอยู่ในกระดานมีแค่เนี้มีแค่นี้ ก็ไปถามด้วยศรัทธาเรามีไห ม, มถ้าศรัทธาไม่มีนะก็ไล่ไปแล้วก็ไปเริ่มคบสับปูหลุษไปเริ่มฟังไปเริ่มโยนิโซพอวิริยะมีไหมก็ลงไปได้ดูว่าเรารู้ไหมเรื่องทำดำํำทำขาวเป็นยังไงอากุศลเนคคำว่าวิตกับอกุศลมิตกทั้งหลายเนี่ยมันเป็นยังไงม้างเนี่ยไล่ไปตามเนี่ยเนี่ยแผนที่แผนนึ่งแผนที่แผนน่นนึงเนี่ยหมดเลยนะ่ะทั้งสติสมาธิปัญญาเนี่ย พุทธศาสนามีกิจที่ต้องทําอยู่แค่นี้เองใ ห, ให้ย่อหน่อก็บอกว่าอันนี้ต้องทําด้วยความไม่ประมาทนะเหลือคําเดียวก็ได้ก <c oughs> ็อยู่แค่นี้จริงว่าแต่ละตัวต้องต้องไปทําความเข้าใจในแต่ละตัวแต่ละตัวนี้เนี่ยเป็นว่าเราเข้าใจแค่ไหนเนี่ยถ้าถ้าถ้าเราครบหมดนี่ก็โอเคไหมคือในส่วนเนี้ยที่เรียกว่าถ้าจะออกจากวัฏตะก็ต้องมี คุณธรรมเหล่านี้คุณธรรมเหล่านี้ที่เรียกว่าธรรมะที่ทำให้ออกจากวัตะเนี่ยนะเรียกว่ารถที่ไม่มีโทษก็ได้เรียกว่าเรือที่ไม่มีโทษก็ได้เรียกว่าเป็นยาอย่างดียาอมตะของพระอริยก็ได้และแต่แลวแต่จะสรรหาคํคำยกย่องเนี่ยนะธรรมะเหล่านี้นะเน <c oughs> ี่ยเพราะว่าในในธรรมะเหล่านั้นน่นะก็เท่ากับยกมักมาแปดองแล้วนะ ถามว่าเป็นมรรคได้ยังไงศรัทธาก็คือกลุ่มศีลใช่ไหมสัมมาไรามาบ้างวาจามาและอะไรอีกกัมมันตะแล้วก็อาชีวะเนี่ยนะก็ได้สามมรรคละเนี่ยนะแล้วก็วิริยะสติสมาธิก็ได้สามมรรคก็เป็นหกละปัญญาธรรมดาของวิปัสสนาทั้งหลายเวน้นวิตกไม่ได้ วิตกจำต้องเป็นสหายเท่านั้นเนี่ยนะก็มรแปดทีนี้มรก8ดอันนี้เนี่ยนะถามว่าเขาทำกิจอะไรทั้งหมดที่ที่ที่เขียนไปทั้งหมดนะกิจเขามีอยู่สี่กิจกิจของเขาก็คือหนึ่งกิจอันนี้ไปกำหนดรู้ทุก กนะุศลธรรมเหล่านี้เป็นตัวที่ไปกําหนดรู้ทุกสองก็ไปละสมุทัยละบาปอากุศลเนี่ยนะแล้วก็กำหนดรู้ทุกละสมุทัยนี้โดยกิจถ้าเอาบริบูรณ์นะในขณะสูงสุดโดยกิจแล้วก็นิโรธเรียกว่าทําให้แจ้งนิโรธโดยอารมณ์ เนี่ยนะแล้วก็ภาวนาคือตัวมรรคเองอะ่ะคือตัวนี้คือกุศลธรรมประเภทภาวนาทีนี้ถ้าหากว่าภาวนาเหล่านี้ไม่มีถึงปรารถนาก็ไม่ได้ตรัสรู้ธรรมเนี่ยนะถ้ามรรคเหล่านี้มีถึงไม่ปรารถนาก็ก็ตรัสรู้ธรรมได้เนี่ยนะ <laughs> มันเจนะถ้าถามว่าไงถามว่าไงถามว่าอะไรมันง่ายกูสนเลือกู่า่ถ้าเกิดเราตั้งใจน่ามันได้นแม้จะมีพัสดุก็มีนิดเดียวอ่ะมันจะทำได้อย่างมันต้องดามากไปนมเอ่าจริงๆนะคะมองเห็นหลายอย่างแล้วก็มันเห็นอะไรหลายอย่างไปคิดตเองนะ้าได้ถ้าเิดเราจะทํยา คือ <c oughs> อกุ u ศน์นะทำยากสําหรับผู้ที่<ม>ผู้ที่<ม>อะไรอ่ะไม่มีศรัทธาบรรดาอากุศนทั้งหลายนั้นทํายากมากสาหรับผมอ่ะแต่ว่าทำพวกนี้ก็เป็นธรรมที่ยากสําหรับพวกที่ไม่มีศรัทธาไม่มีปัญญาไม่มี มันจะว่าท่านถ้ า, ถาอย่างนี้นะสําหรับผู้ที่มีปัญญาก็ไม่ยากอะไรมีบาร ม, มีมีอะไรไม่ยากอะไรแต่พุทธการในสัมพันธ์นี้พุทธการอาจจะไม่เห็นขางในพุทการอยากคนรอบๆเห็นสัมพันธ์พุทธการนี่หรือไม่จริงครับผมนี่นะผมถามตัวผมเองเล ย, เลยนะทําไมเราจึงเวลาเราจเจริญพุทธานุสิติแล้วทําไมจึงไม่เกิดสมณัติจึงไม่เกิดสมณัตเท่าที่ควรเนี่ย ไม่ใช่ครับคืออย่างนั้นน่าจะต้องมีสมนัติใช่ไหมฮะกำลังจะถามอาจารย์ว่าการเจริญพุทธานุสตินั้นเนี่ยเนี่ยนะฮะเพราะว่ า, เ, าเรานําหัวข้อมาเช่นผมนําหัวข้อมาคําว่าสุคโตเนี่ยนะเมื่อนําสุคโตเนี่ยมาตรึกเนี่ยนะเช่นพระองค์เสด็จไปแล้วน ะ, ะเสด็จไปไหนเสด็จไปสู่อมตะนิพพานแล้วไม่กลับมาสู่กิเลสอีกเลยกิเลสที่ดับด้วยมั้งนั้นพระองค์ไม่กลับมาสู่อีกเลย เราก็อเอาหัวข้อนี้เรามาตึกว่าพราะองค์นั้นพ้นจากกิเลสอะไรบ้างและพระองค์ไม่กลับมาอีกเลยแล้วเราแล้ว เ, เราในฐานะที่เรายังไม่เคยบรรลุเนี่ยเราอยู่ในกิเลสอะไรบ้างเนี่ยทำไมเราตึกไปสิ่งสิ่งเหนี้เนี่ยใหม่ๆเราอาจจะรู้สึกว่ า, ามันเราเห็นปิติบ้างนิดหน่อ ย, น, ยนะแต่พอเราตึกซ้ำบ่อยๆบ่อยๆเนี่ยนะในเรื่องสุขโตนเนี่ยซึ่งมีหลายหัวข้อใช่ไหมเช่นหัวข้อว่าพราะองค์จะตรัส มีวาจาที่คิดถึงจริงถึงแท้ถึงเป็นประโยชน์ซึ่งทำให้คนฟังแล้วชอบใจไม่ชอบใจร่าเหมาะสมตามการเนี่ยซึ่งอยู่ในหัวข้อเนี่ยนะแล้วเรามาตึกดูว่าอย่างเรามีกิเลสเนี่ยนะเราวาจาของเราเนี่ยต่างกับพระองค์แค่ไหนบางทีบางบางทีเราดเอากจริงเอาแท้พูดเลยอย่างนี้นี่ก็ไม่ถูกอยู่แล้วใช่หหรือว่าเอาคนแค่ก็ฟังแล้วพอใจพูดก็ไม่ถูกอยู่แล้วใช่ไ มันต้องประกอบไปด้วยเหมาะไปด้วยจริงด้วยแท้ด้วยเป็นประโยชน์ด้วยเป็นการด้วยอะไรเนี่ยซึ่งไม่ใช่ของง่ายคือการตึกพุทธคุณเหล่านี้เนี่ยเราตึกใหม่ๆเราก็อืเป็นพุทธคุณนะเราเห็นเลยก็ เ, เห็นประโยชน์เห็นมีความปิติดบ้างแต่พอเราตึกไปบ่อยๆแล้วเราเราตึกไม่เราตึกซ้ําำครับกาลังจะถามท่านอาจารย์ว่าเราตึกซ้ำนะที่ว่าพระองค์เนี่ยนะเช่น์ไนะกลาจากกิเลสพระ อ, องค์ไกลาจากกิเลสตึกยังไง ในอัธกถาหรือในดีกาบอกว่าไกลจากผู้คนซึ่งมีกิเลสคนใดมีกิเลสผู้นั้นไกลจากพระองค์ถ้าใครมีกิเลสมากผู้นั้นไกลจากพระองค์มากผู้ใดมีกิเลสน้อยผู้นั้นย่อมใกล้ชิดพระองค์การคิดอย่างนี้เนี่ยนะแล้วเร า, าแล้วเรามาัตึกนะเราเรียนปริยัติมาใช่ไหมว่ากิเลสมีอะไรบ้างเนี่ยเราก็ตึกไปได้เนี่ยนะแต่พอตึกไปบ่อยบ่อยบ่อยบ่ยบยบยทุกวัน ก็ก็ซ้ำอยู่จบด้ยครับอาหารอร่อยกินบ่อยมันก็เลยเลิกอร่อยเลยในชะ่ <c oughs> คือคือก็ซ้ำอ่ะตอนนี้ถ้าซ้ําเนี่ยนะถ้าเราไม่ไปอ่านเพิ่มเติมในพระพระคัมภีร์นะ <c oughs> เราไม่อ่านไป ม, ม่อ่านเพิ่มเติมเพราะในคัมภีร <c oughs> ์โอ้โหมากคือแจงรายละเอียดเนี่ยของพุทธคุณเนี่ยมากเลยเนะี่ย <c oughs> เราก็ไปเพิ่มเติมจากจากการการไปอ่านหรือว่าการฟังเพิ่มขึ้นเพื่อให้ศรัทธาเพิ่มขึ้น ผมจึงยกตัวอย่างว่าในนี้เนี่ยนะเป็นเป็นแผนที่ย่อเลยในการปฏิบัติธรรมเนี่ยท่านลงไปดูรายชื่อมาตัวใดตัวหนึ่งท่านท่านรู้เรื่องออย่างเงี่ยนี่คืออะไรนี่คืออะไรแล้วก็ถ้ายังไม่รู้ต้องไปค้นควายรู้เนี่ยแต่ละตัวแต่ละตัวเนี่ยนี่นี่นี่ตัวอย่างท่านลองท่านบอกว่าอะไรอาหารเนี่ยอร่อยอาหารทานไม่ไหแล้วก็ คืออาหารที่เราเคยทานบอกแมบตอนแรกมันเหมืออร่อยดีเนี่ยทีนี้พอทานไปเรื่อยๆนี่มันก็เหมือนกับว่าก็ซ้ำๆอ่ะนะอาหารก็ซ้ำๆอ่ะเดิมๆอ่ะแม่ครัวคนเดิมอะไรเดิมๆหมดเลยสรุปแล้วก็เดิมๆเหมือนกันะแต่ถ้าจะให้อร่อยอีกครั้งหนึ่งก็ต้องไปคิดถึงไง้พวกหิวมากๆแต่คนนู้นเขาก็อดเนี่ยนี่ก็หิวนะอาหารนี่มันจะเป็นอาหารทิพทันทีอีกเหมือนกันเห็นไหมก็พูดอีกนายหนึ่งว่า เราเห็นโทษของการคิดถึงคนอื่นที่ไม่ใช่พระพุทธเจ้าไหมเนี่ยนี่ยอย่างหนึ่งก่อนนะคือปกตินะถ้าเราไม่คิดถึงพระพุทธเจ้าเราก็คิดถึงคนอื่นอยู่แล้วหรือว่าไม่คิดมันก็คิดอยู่แล้วไม่คิดถึงคนโน้นกับคนนั้นล่องลอยไปเรื่อยนะจากคนหนึ่งสู่คนหนึ่งเนี่ยนะคุณลาวันก็อาจจะไปอเมริกาบ่อยขึ้นอย่างเงี้ยความคิดอ่ะนะแวบไปแวบมาแวบมาแวบไปอ่ะนะเสร็จแล้วเห็นโทษของความคิดอันนั้นมากไหม คือเห็นโทษของอารมณ์ที่เราคิดเนี่ยอย่างหนึ่ง2เห็นโทษของตัวความคิดของเราอันนั้นที่ไปคิดในสิ่งเหล่านั้นไหมแล้วก็แล้วพระพุทธเจ้าเนี่ยเราเห็นคุณมากไหมแล้วก็จิตที่ไปเลยคิดแบบนั้นเราอ่าให้คุณค่าสูงขนาดไหนถ้าถ้าแยกโทษอันนั้นได้มากเห็นคุณอันนี้บ่อยก็ก็ปีติสมานัดได้บ่อยแต่ถ้าแยกไม่ค่อยไม่ค่อยมากก็ก็ปีติสมานัดไม่มากเพราะว่าพื้นฐานทุกการเองก็ไม่ใช่กลุ่มศรัทธาจริตอะไร เนี่ยนะก็คือเป็นสายไอ้พวกพุทธที่เจริตเนี่ยนะมันถ้าหากว่าไม่เห็นโทษเห็นคุณแล้วมันทำไม่ทาให้เกิดโสมนัตได้หรอกเนี่ยนะต้องปัญญีนีนำหน้าอย่างเดียวคือที่เห็นได้ประโยชน์คืวกลับลงกลับลงไปอ่านในคำพีมากมากแล้วก็จะจะจ ะ, จะได้ศรัทธามากขึ้นทไปฟังใหม่ถ้าเห็นเห็นชัดอย่างหนึ่งนะไอ้การที่เราไปตรึกแล้วมันตรึกไปไม่ได้เนี่ยก็คือบ่งเมืองว่า เหมือนเหมือนอย่างนี้นะเราอ่านแผนที่แล้วก็ใช้รถอะ่พะพอใช้เป็ดมันหลงทางกันนะให้มันแน่จริงหรือเปล่าแล้วก็มาดูแผนที่ใหม่มันก็ทำให้เข้าใจมากขึ้นอ่ะนะก็คงอยู่อย่างนี้ไปเรื่อยอันนี้พูดทำให้เห็นอย่างหนึ่งคือสมัยที่คนยุคที่ไม่มีพระพุทธเจ้ามีพระชนอยู่ก็คือไม่มีคนบอกตามอ่ะนะว่าคุณเนี่ยเรื่องนี้ก็พอคุณไปคิดซ้ำๆให้มากเถอะ เนี่ยนะถ้าพระพุทธเจ้าอยู่เนะี่ยจะบอกตรงๆเลยเรื่องนี้เรื่องเดียวเนี่ยนะถ้าเป็นยาก็จัดยาชุดเดียวให้ไปกินเลยเรื่อยไป น, นะนะอย่างอื่นก็ประกอบประกอบนะแต่โรคคุณเนี่ยมันเป็นโรคอันนี้เนี่ยนะมันก็เหมาะใช่ไหมแต่ว่าพอตอนนี้มันไม่ใช่เป็นแบบนั้นแล้วเนี่ยนะก็ใครจะชี้ให้ <laughs> หละ่ะแค่นี้แล้วปวดด้วยตัวเองเนี่ยไปปรึกษาพวกคนสอน คนสอนก็ไม่ได้รู้ว่าคุณมีศรัทธาจริงมากหรือจริงน้อยก็ไม่รู้แล้ววันหนึ่งไปเจริญได้กี่นาทีเราก็ไม่รู้เบื้องหน้าเบื้องหลังอดีตชาติก็ไม่รู้อนาคตต่อไปก็ไม่รู้สรุปแล้วก็ก็อย่างนี้แหละก็ชวนกันนะนะาต า, าบอดจูงตาบอด้าส่วนใหญ่หน้าสงสารเด็กกำพร้าช่วงสมัยพุทธกาลเนี่ยนะเราจะต้องมีสถานที่มีที่ประทับให้พระองค์ จัดแจงปูวไว้เรียบร้อยแล้วนะถ้าเกิดอะไรติดพลาดจากควาแม้แต่ความคิดไม่มีใครรู้เลยนะมันมาแล้วโอ้โหถ้ายัางจะเกิดปิติแค่ไหนไม่กล้าเลยไม่ก ล, าล้ <c oughs> กลาคิดซีซัว <c oughs> <c oughs> คิดซีซัวเดียว ม, ยมันเป็นสมเราเราใน บ, บุญน้อยเด็กกรราพร้าอยู่ว่าคือก็เด็กกําพ ร, ร้าที่พ่อแม่ทิ้งมรดกเอาไว้ให้มอบ <c oughs> นะก็เลยหนักทุกปัญหาของชาวพุทธทุกวันเนี่ย คือพระไตพปิดกทำไมมากเหลือเกินอันนี้คือปัญหาของเขาอย่างหนึ่งที่เขาบน่บนๆกันนะนะรกกจริงมรดกแต่ว่าไม่รู้จัก <c oughs> ใช่ไหมเขาเขาบอกว่าโอ้โหพระไตพปิดกมากมายขนาดนี้ใครจะไปอ่านวาดอ่านไห ว, น, ว น, น่ว่าไปนั่นเดกกันนะนั่นนะก็เลยกลายเป็นว่ามรดกฟองเต็ม้วหิงไม่ถูกมร้จะไปซื้ออันไหนขายอันไหนอะไรยังไงเนี่ยนะไม่ได้มันกำพาด้วยแล้วไม่ค่อยฉลาดด้วยเนี่ยคือปัญหามันสาคัญมาก อสาธุมีมีเขาอะคุณจะอินละผมห่วงอย่างเดียวนะว่ามันใกล้เข้ามาแล้วไอ้พวกวัยผมมันใกล้เข้ามาเต็มทีแล้ว เมืใกล้เข้ามาเนี่ยนะถ้าเรายังฝึกตนไม่ได้นะเราเราต้องฝึกความคิดตัวเองไม่ได้เนี่ยนะยาวหวังนะว่าจะไปสุคติได้แน่หรอที่สําคัญมากในการเจริญเนี่ยนะคืออยู่ๆเนี่ยสมมุติถ้าเราปกติว่างๆนะก็เอาท่าปกติก็อบรมอินทรีย์ห้าอยู่แล้วก็เอาอินทรีย์แต่ละอย่างมาเออเนี่ยนะถ้าเราหวังอยู่ตรงนี้เนี่ยเราเจริญสัตว์ทินทรีย์ได้ไหมไหน ถ้าว่าเป็นขนาดนะก็เอาอินทรีย์ห้ามาจับนะทธาวิริยะสติสมาธิปัญญามันต้องได้แหละหนึ่งอย่างอะ่ะคืออย่าไปคิดว่าโอโ้โหฉันต้องเจริญสัตทินทรีย์อย่างเดียวอย่าไปต้องคิดอย่างนั้นหรอกคิดว่าเอาอินทรีย์ห้ามาตั้งเนี่ยนะเจริญข้อไหนได้บ้างแต่ถ้ามันมันหนักจริงๆนะเอางี้เนอะเอามงคล38มาท่องให้มันได้38ดเลยนี่นั่งอยู่ตรงนี้มันจะได้สักมงคลหนึ่งไหมเนี่ยนะตั้ง38ดข้อเนี่ยนะ ก็สาธยายเลยนะก็ตั้งกัสเสวนาจาัพร า, านางบันดิตานั้นจะเสวนาว่าไปเรื่อยนะมันต้องได้แหละหนึ่งข้อบางอั้นเถอะก้อนนั้นก็ได้ปีติปราโมทได้เป็นอาหารของกุศลอย่างหนึ่งเหมือนกันเนี่ยนะแต่ว่าอย่าไปถามตัวเองว่าคือคืออย่าไปเอาแบบชํานาญที่เรียกว่าฉันจะเจริญอันนี้ให้ได้ในเวลานี้คือไม่ไม่ต้องไปตั้งกติกาให้ตัวเองอะไรที่มันเรียกว่าคับแ ค, บ, คบขนาดนั้นนะเพราะว่าเราก็ตั้งให้มันกว้างเข้าไว้ นันะเช่นว่าอินทรีย์5านะก็คบสัตว์บรุษฟังธรรมของสัตว์บุรุษโยนิโสมนัิการปฏิบัติธรรมสมควรแก่ธรรมสามารถเจริญอะไรได้บ้างล่ะตอนนี้อ่าวิริยะถ้าเราเพียรกําจัดอกุศลวิตตกเพียรยังไงถ้าจะเพียรเจริญกุศลวิตกเพียรอันไหนได้บ้างขณะนี้สติปทานสนะกลุ่มกายาก็ตั้ง14บสีับพาสิเรื่องเวทนาก็ตั้งกล่จิตสิธรรมะหเนี่ยนะเอ้ก็น่าจะเจริญได้นะสักข้อหนึ่งใช่ไหม ทีนี้กลุ่มอินสมาธินีเนี่ยนะกรรมฐานต้อง40ข้อเนี่ยนะโดยกว้างๆอะ่ะ40ข้อในชั้นรายละเอียดก็กว้างขวางเหลือกเกินเอ้ก็น่าจะเจริญได้สักอย่างห น, นึ่งนะทีนี้กลุ่มปัญญาละ่ะก็มีวิปัสนาภูมิตั้งเยอะแยะขันายัตน า, าธาบเนี่ยนะโดยภูมินะโดยปัญญาที่เข้าไปใไข้ครวนก็ตั้ง40เช่อนอนิจจตโตทุกขโตโรมุโตเป็นต้นอะ่ะมันต้องได้อย่างหนึ่งก่อนละนะคือถ้ามีศรัทธาที่จะเจริญเช่นนั้นก็ก็เจริญได้อยู่แล้วเนี่ยนะ อย่างที่อาจารย์เคสอนว่าเห็นเตาไฟฟ้ามันยังได้กุศลเลยเนาะหทุไงห่ยจะได้ไปเจองันาะหมดเวลาแล้วใครจะมีปัญหาอะไรถามไหครับเชิญครับมีไหมครับอาจารย์นิดมีไหม เสริมบ้างไงเอ่ะเอาสิเสินหน่อยสิเมมินมามาตรงนี้เลยตรงนี้จะนด้ยืนกันชัดๆม า, มามาทุกคืนเลยเนี่ยอนี่หนึ่งมาทุกวันเนี่ยคือผมขออนุญาตพูดในแง่ของครูนะฮะปกติผมจะ จะสอนพิเศษวิชาฟิสิกส์อยู่พ่อแม่ก็อยากให้ลูกเข้าคณะอะไรเนี่ยชั่วโมงแรกที่ผมจะต้องทําคือไปกล่อมลูกเขาก่อนอล ก, ลกลมลูกทํายังไงค่อเชื่อผมไม่ได้ออถ้าเขาไม่เชื่อผมนะผมจะจะสอนไม่ได้เลยเช่นคุณจะเข้าแพทย์หรือเข้าวิศวะเนี่ยคัานแรกเขาไม่เชื่อผมอก็สอนไม่ได้เพราะมันจะกลอมอยังไงเขาเชื่อ อันนี้ก็เหมือนกันนะผมว่าถ้าจะเรียนพระไตรปิฎกให้ได้ผลต้องศรัท ธ, ธาก่อนเพราะว่าเวลาเราเดินไปหรือขับรถไปเราเห็นวัดทุกวัดเลยเห็นทุกวันเลยเพราะเราไม่เคยศรัท ธ, ธากับ ว, วัดเห็นว่าพระตุ้ดรูปทุกวันเจดียเราก็เห็นทุกวันเราไม่เคยศรัท ธ, ธาถ้าเราไม่เคยศรัท ธ, ธาเราไม่เคยเชื่อพระไตรปิฎกเรียนไปก็ไม่รู้เรื่อง <c oughs> ใจศึกษาทีเ่เรียนไปเรียนไปรู้เรื่องแต่เราไม่ศรัทธาเราไม่เชื่อก่อนนะเพราะฉะนั้นผมเริ่มต้นที่อัปทานนี่แหละ <c oughs> ให้รู้ว่าคุณของพระพุทธเจ้าคืออะไรให้มีศรัทธาให้เต็มที่ <c oughs> ถ้าศรัทธาปลูกแน่น <c oughs> มันก็คือราก <c oughs> มันก็คือฐานตึก <c oughs> ถ้ารากฐานตึกเราเราแน่นเนี่ยเครื่องบินมามันก็ไม่พังก็ บุคคลจะข้ามโอเคได้ด้วยศรัทธาเนี่ยนะพระพุทธพจน์บางอย่างบางแห่งบอกเลยว่าจะข้ามโอเคด้วยศรัทธาเนี่ยนะศรัทธานี้เป็นเหมือนกับเสบียงทางของของคนเนี่ยนะเป็นเหมือนเสบียงทางของผู้ที่จะเดินทางศรัทธานี่เป็นถ้าเป็นแบบเมืองเลยนะมององค์ประกอบของเมืองอ่ะศรัทธาเหมือนเสาระเนียดคือกำแพงเมืองอ่ะนะศรัทธานี่เหมือนกำแพงเมืองนะศรัทธานี้เป็นเหมือนกับเชือก ก็ศรัทธานั้นเป็นธรรมะที่มีความสำคัญมากแต่ว่าไม่ควรให้เกินเถิดต้องสิ่งที่เข้ามาควบคู่กันก็คือปัญญานเนี่ยก็คือต้องมีความเข้าใจในสิ่งที่เราศรัทธาว่าทำไมเราจึงศรัทธาในส่วนนั้นก็ตั้งคำถามแบบนั้นนะคือตั้งคาถามจะได้เพื่อปัญญาจะได้ประกอบเช่นว่าทำไมเราจึงศรัทธาพระพุทธเจ้าตั้งคาถามแบบนี้นะแล้วก็หาคาตอบเอง ก็ค่อยๆคิดไม่ต้องตอบทันทีหรอกไม่ต้องแบบปฏิพานอะไรขนาดนั้นหรอกก็แล้วทาไมเราต้องบําเพ็ญไตรสิกขาทําไมต้องบรรลุอริยสัจคือปกติเราก็เชื่อเรื่องราวเหล่านี้อยู่แล้วนะก็เอาในสิ่งที่เราเชื่อนั่นแหละมาถามเนี่ยนะปัญญา ม, มันก็จะเกิดมากขึ้นแต่ถ้าหากว่าไม่ค่อยจะเชื่ออยู่แล้วนะแล้วตั้งคําถามแล้วก็เอาข้อมูลในแง่ลบมาตอบด้วยนะก็ไปกันใหญ่เลยคนนี้เนี่ยนะพระพุทธศาสนา ทำไมจึงเสื่อมเนี่ยนะก็คนนั้นก่เลวคนนั้นก็เลวไรกันนี้ก็เสียหายเลวกนนี้เพราะเราก็ไปคิดแต่แต่ถึงสิ่งที่ไม่ควรคิดเนี่ยน ะ, ะสำคัญมากในการคิดก็คือหนึ่งต้องคิดแล้วต้องเกื้อกูลกับศรัทธาเพราะฉะนั้นถ้าว่าโดยการฟังธรรมศึกษาธรรมเรียนธรรมปฏิบัติธรรมก็ตามวิธีวัดผลที่ควรจะวัดบ่อยๆเป็นปกติก็คือเอาอินทรีย์ห้ามาวัดเนี่ยนะ เช่นนะแม้กระทั่งฟังธรรมหรือสนทนาธรรมก็ตามสนทนาที่ไหนเมื่อไหร่ยังไงก็ตามนะสังเกตดูหนึ่งสัดทินรียเราเพิ่มไหมหรือลดลงถ้าในวงการที่เราฟังสนทนาร่วมคิดร่วมกิจกรรมทั้งหมดนะถ้าสัดทินรียเราลดลงเขาบอกว่ารู้กลางวันให้ไปกลางวันรู้กลางคืนให้ไปกลางคืนอย่าอยู่เลยเพราะว่าอีก น, น, นานๆเ น, นี่ยน่าจะหมดแน่หมดเนื้อหมดตัวแน่เหมือนันเด้เนี่ยนะ ความเพียรในการกาจัดบาปเพียรในการเจริญบุญเราเพิ่มขึ้นไหมเมื่อเราไปคบคนเกี่ยวกับเรื่องสังคมสิ่งแวดล้อมทั้งหมดนะก็เอาอินซีห้าเป็นเครื่องเครื่องวัดถ้าอินซีห้าไม่เพิ่มอะไรเลยให้รู้เธอว่าที่ตรงนั้นไม่เป็นสปายะและบุคคลนั้นที่เราเกี่ยวข้องก็ไม่เป็นสปายะเนี่ยนะ ก, ก็มีหลักธรรมเราเนี่ยเป็นเครื่องเครื่องวัดเป็นเครื่องตรวจสอบแต่ถ้าไม่เราไม่มีเครื่องตรวจสอบนะ สักแต่สักแต่ว่าเรียกว่าฟังธรรมเราก็ไปแล้วก็ไม่รู้ว่าฟังแล้วจะเกิดศรัทธาเป็นต้นขึ้นไหมเนี่ยนะเราก็ได้ฟังอะไรก็ไม่รู้แม้กระทั่งสนทนาก็เหมือนกันสนทนาก็เลยกลายว่ามานั่งเพ้อเจ้อกัน ท, ทั้งวันเน่ยนะเสร็จแล้วก็บอกเออฉันสนทนาทำนะศรัทธาก็ยิ่งไม่ค่อยจะมีด้วยก็เลยหมดไปเลยเพราะฉะนั้นก็ต้องเอาธรรมะห้าเนี่ยเป็นเครื่องตรวจสอบเนี่ยนะก็เหมือนกับผู้ที่สอนหนังสือทั่วไปก็จะมีเครื่องตรวจสอบใช่ไหมเด็กเรียนดีขึ้นหรือเรียนไม่ดีขึ้นก็มีที่ ที่ตรวจอะนะถ้าไม่งั้นครูจะให้คะแนนไม่ได้ถ้าหากว่าไม่มีที่ที่ตรวจสอบการศึกษาพระธรรมก็เหมือนกันถ้าหากว่าเราไม่เอาอินซีห้ามาเป็นเครื่องตรวจสอบเครื่องวัดนะในกิจกรรมทุกอย่างที่เข้าไปเกี่ยวข้องเราจะไม่รู้ว่าเราจเจริญขึ้นหรือเสื่อมลงเลยแต่ส่วนที่สําคัญนะอย่างในพระสูตรมีอยู่หลายสูตรที่พระองค์ตรัสถึงการพิจารณาความวิบัติของตนตามการเนี่ยนะ แล้วก็พิจารณาวิบัติของผู้อื่นตามการวิบัติของตัวเองว่าตัวเองนี่ส่วนเสื่อมตรงไหนมีบ้างจะเสื่อมเสื่อมเพราะอะไรอันนี้ส่วนหนึ่งนะแล้วคนอื่นละ่ะถ้าเขาจะเสื่อมเสื่อมเพราะอะไรเขาทําไมเขาจึงหมดศรัทธาทําไมเขาจึงหมดความเพียรทําไมเขาจึงหมดสติทําไมสมาธิไม่ดีทําไมจึงไม่ฉลาดเลยไม่มีปัญญาเลยมันเพราะอะไรของเราก็เหมือนกันนะ ว, ว, วิเคราะห์ตัวเองด้วยผู้อื่นด้วยความเสื่อมของทั้งภายในภายนอก อย่างที่สองก็คือสมบัติเนี่ยนะความถึงพร้อมเหมนะว่ามีส่วนดีตรงไหนบ้างศรัทธาวิรยิยะสติสมาธิปัญญาเนี่ยนะหส่วนนี่เรามีดีตรงไหนบ้างเนี่ยนะแล้วคนอื่นเขามี ม, มีมีกุศลธรรมในในส่วนไหนดีบ้างอันนี้เป็นตัวสําคัญมากคือที่จะให้วิเคราะห์ถึงวิบัติและสมบัติของทั้งตัวเองและผู้อื่นเนี่ยนะมีหลายสูตรที่สอนแบบนั้นแม้กระทั่งในพระสูตรบางแห่งก็บอกว่าถ้าไม่เก่งขนาดนั้นนะตรวจสอบตัวเองก็ได้ เอาแค่ okay, ตัวเองก่อนนะถ้าตัวเองมีส่วนเสื่อมตรงไหนบ้างแล้วมีตัวเจริญตรงไหนได้บ้างอันนี้อันนี้ก็ไว้ตรวจสอบให้มากๆาน่นะคือสมัยนี้เป็นสมัยที่เราไม่มีผู้ที่จะให้เราไปปริุูชาหมายความว่าไปสอบถามไปตายถามว่าตอนนี้เนี่ยข้าพเจ้าศรัทธามไม่ค่อยมีเลยอย่างเงี้ยนะข้าพเจ้าเป็นโรคอะไรหรืออย่างเงี้ยนะคล้ายๆถ้าไปแบบมีเครื่องตรวจสอบแบบร่างกายไม่มี มันก็มีแต่จิตใจทีนี้ในในส่วนของจิตใจเนี่ยก็ไม่มีคนที่จะให้เราไปไปตรวจได้ขนาดนั้นเนี่ยนะมันก็เป็นสมัยที่ช่วยเหลือตัวเองให้มากจริงๆเป็นสมัยที่ที่เรียกว่าคนสอนก็จะจมน้าเหมือนกันเน่ยคนเรียนก็กระซอบกระแลมเหมือนกันนะนะก็ไปด้วยดกันนี่แหละเนี่ยนะไม่รู้ใครจะท่วมก่อนจมก่อนถึงฝังถึงบกป่อนนี่ยนะก็มันเป็นอย่างนี้จริงๆสมัยนี้เนี่ยก็เลยใข้ก็คนไข่อยู่ด้วยกันนี่แหละไข้รักษาไข้กันนั้นเลย